เรื่องอุ่นพัตตาหารสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายสนทนาว่าพระผู้มีพระภาคทรงห้ามพัตตาหารที่หุงต้มเองจึงยำเกรงโภชนาหารที่อุ่นใหม่ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้อุ่นพัฒตาหารได้